Book 2สามรการทำความรู้จักสวัส ด, ดีค่ะอฮวยสวัส ด, ดีค่ะ สบายดีไหมคะอาโกซาดารีคุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะปูคาดซาติสเอูโรปีคุณมาจากอเมริกาใช่ไหมคะปูคาดซาติสอเมริกีคุณมาจากเอเชียใช่ไหมคะ p o คาดซาติสอาเซีย คุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะคุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคะคุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่คะคุณชอบที่นี่ไหมคะ คุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะมาเยี่ยมดิฉันบ้างนะคะนี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะเราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะ ขอโทษนะคะพรุ่งนี้ดีฉันไม่ว่างย e มิลิุโตอุสเนจูมามลาก่อ น, นะคะ่ะเชาลาก่อ น, นะคะ่ะโดวิเจนียแล้วพบกันนะคะโดสโกเรโฮวิเจนีย